จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทังหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทาบุญให้ทาน มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นผู้ประเสบเลิดโลกเป็นผูนน้ที่อยู่ท่างกางความสุขตลอดเวลาไม่ว่า จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามจิตใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจะไม่มีความหวั่นไหวจะไม่มีความทุกข์เดือดร้อนเลยเพราะท่านได้พบกับสัจธรรมความจริงที่สอนให้ท่านได้ปล่อยวางเมื่อได้ปล่อยวางแล้วก็จะ ไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆความทุกข์เกิดจากความยึดติดความยึดติดก็เกิดจากความหลงคิดว่าเป็นของเราคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดคิดว่าจะให้ความสุขกับเราแต่ความจริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราอย่างแท้จริง ที่จะอยู่กับเราไปตลอดที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวนั่นเองนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหลันตสสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นท่านจึงไม่ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายท่านรู้ว่าเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวแล้วในที่สุดก็จะต้องหมดไปถ้ายึดติดเวลาเกิดการพัดพลาดจากกันเวลานั้นก็จะเป็นเวลา ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากแม้ขณะที่ยังไม่ได้จากกันเพียงแต่คิดถึงเวลาที่จะต้องจากกันก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะไม่เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของถาวรไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง ไม่ได้ให้ความสุขเราไปเสมอต้องมีเวลาที่เราจะต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราไปหลงยึดติดว่าเป็นของเรานั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราพยายามสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะเปลี่ยนไปเวลาเขาจะสูญไปเรายับยั้งไม่ได้ถ้าเราไปหลงไปอยากให้เขาอยู่กับเราเวลาเขาจะจากเราเราก็จะเกิดความทุกข์ใจถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อย ต่อไปเราจะไม่อยากได้ราบยศสารเสริญจะไม่ได้อยากได้ความสุขทางตาหูจะมูงดิ้นกายเพราะถ้าเราอยากเราก็จะเอาความทุกข์มาใส่ใจของเราถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่มีความทุกข์กับลาบยศสารเสริญกวอบรูปเสียงกดลดิ่นรสผดตะพเขาจะเจริญหนือจะเสือม ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราแต่ถ้าเราไปหลงไปยึดติดเราก็จะทุกข์เวลาที่เขาเสือ่อมเราจะสุขเวลาที่เขาจเจริญแต่ความเสื่อมจะต้องตามมาเสมอไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อมีการเกิดเมื่อมีการจเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปในที่สุด นี่ถ้าเราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่หลงเมื่อเราไม่หลงเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขวิธีที่เราจะสอนใจของเราให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราก็ต้องหาเวลาอยู่ตามลาพังอยู่คนเดียวเพราะถ้าเราอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆ เราก็จะถูกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆดึงไปให้ทำให้เราต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆเราจึงไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาคิดถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาบกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกันพอเราไม่รู้ไม่เห็นไม่คิดเราก็ถูกความหลงครอบงำ หลอกให้เราคิดว่าทุกอย่างเป็นของเราทุกอย่างจะอยู่กับเราไปตลอดทุกอย่างจะให้ความสุขกับเราเราก็เลยเกิดความยึดติดเกิดความอยากได้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอแต่ถ้าเราคอยคิดอยู่เรื่อยๆว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดว่าเราเกิดมาแล้ว ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารัก ที่เราชอบไปลวงพ้นการพัดพราจากกันไปไม่ได้ถ้าเราหมั่นคอยสอนใจเตือนใจเราก็จะลบล้างความหลงที่จะมาคอยหลอกให้เราคิดว่าเราจะอยู่ไปนานๆเราจะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว เราจะได้เตรียมตัวรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายรับกับการพัดพลาดจากกันพอใจเราทำใจได้แล้วการเกิดของความแก่ความเจ็บความตายของการพัดราดพลาดจากกันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนใจแต่อย่างใดเหมือนกับที่เราทำใจ กับการมากับการไปของดินฝ้าอากาศของดวงอาทิตย์เรารู้ว่าผ้าที่ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องตกเรารู้ว่าอากาศร้อนแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นอากาศหนาวอากาศหนาวแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับกลายเป็นอากาศร้อนเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไป ห้ามปลามไม่ให้เกิดขึ้นได้พอเราไม่ไปยึดติดไม่ได้มีความอยากให้อากาศหนาวหรือร้อนผ้าทิศขึ้นหรือตกเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่อากาศหนาวหรืออากาศร้อนเวลาที่ผ้าทิศขึ้นผ้าทิศตกเราก็ทำใจรับกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆของดินฟ้าอากาศได้ ชั้นใดเราก็จะสามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราได้ถ้าเรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่เราไปเปลี่ยนไม่ได้ไปห้ามไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นตามวาระของมันมันเกิดก็ปล่อยมันเกิดเราทำใจให้เฉยๆไม่ให้มีความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย ไม่ให้อลาดาดจากกันเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับการขึ้นหรือตกของดวงอาทิตย์หรือเรื่องของดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ดังนั้นเราต้องพยายามหาเวลามาปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะได้สอนใจของเราไม่ให้หลงไม่ให้ลืมถ้ายังหลงยังลืมอยู่ก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาวิธีที่จะทําให้เรามีเวลาก็คือเราต้องลดละการหา ลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการมาทําบุญให้ทานด้วยการมารักษาสิงมาฟังเทศฟังธรรมถ้าเราล ด, ดละการหาเงินหาทองล ด, ดละการใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆเราก็จะมีเวลามีเงินมา ทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมมาทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดการที่เราจะสอนใจให้ฉลาดให้เห็นความจริงนี้เราต้องทำใจให้สงบก่อนเพราะเวลาใจไม่สงบนี้จะมีอารมณ์มาคอยฉุดลากให้เราไปคิดถึงเรื่อง ลาบยศรรเ ส, สริญคิดถึงเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเราจะไม่สามารถคิดในเรื่องที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะคิดให้เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิ มีปัญญาเราต้องทําใจให้สงบก่อนการที่เราจะทําใจให้สงบเราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทําใจให้สงบนี้เรียกว่าสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เวลาเราจะให้รถยนต์หยุดเราต้องเหยียบเบรกถ้าเราไม่เหยียบเบรกรถยนต์ก็จะวิ่งไปเรื่อย ความคิดของเราก็เหมือนกับรถยนต์ถ้าเราไม่ใช้สติหยุดความคิดความคิดก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดไปทั้งวันทั้งคืนแม้แต่เวลาหลับก็ยังคิดเป็นความฝันขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้เบรกคอยเบรกความคิดของเราต่อไปความคิดของเราก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วเราก็จะได้ มีความสงบมีความเย็นมีความสบายแล้วเราก็สามารถที่จะสั่งให้ใจของเราคิดไปในทางที่จะทำให้เราหายหลงหายยึดหายติดหายอยากหายจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นในเบื้องต้นของการที่เราจะมาอบรมสั่งสอนจิตใจของเราให้เฉลา ให้รู้ความจริงเพื่อกำจัดความหลงที่หลอกให้เราไปยึดไปติดไปอยากกับสินต่างๆเราก็ต้องมาหยุดความคิดของเราก่อนเราต้องเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆวิธีเหยียบเบรกก็คือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจหรือถ้าเราไม่ชอบพุทโธ เราชอบการสวดมนต์เราก็สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้สวดไปทั้งวันอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สวดมนต์ไปก่อนให้ใจว่างจากความคิดต่างๆก่อนแล้วพอใจว่างแล้วเราอยากจะคิดไปในทางที่จะทำให้เราฉลาดเราก็ให้คิดถึงคำสอนที่พระเจ้าสอนให้คิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงสะเบสังฆาลาอนิจจาสังขารก็ของต่างๆในโลกนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงสังขของต่างๆในโลกนี้เป็นความทุกข์ของต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของที่เราจะไปสั่งให้เขาอยู่กับเราได้ไปตลอด นี่คือความจริงที่เราต้องมองให้เห็นตลอดเวลาถ้าเรามองเห็นตลอดเวลาแล้วเราก็จะไม่หลงไม่ยึดไม่ติดแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายกายกองเพราะสมบัติเข้าของเงินทองเหล่านี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ เวลาเราเกิดความทุกข์ใจความสุขที่เราได้จากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองนี้ก็จะหายไปหมดเลยแต่ถ้าเรามีธรรมะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจของเราเราจะสามารถยับยั้งไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาภายในใจพอไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจเราก็มีแต่ความสุข ความสุขกับความทุกข์นี้ก็เป็นเหมือนความมืดกับความสว่างจะไม่อยู่ด้วยกันถ้ามีความมืดก็จะไม่มีความสว่างถ้ามีความสว่างก็จะไม่มีความมืดฉันใดถ้ามีความทุกข์ก็จะไม่มีความสุขถ้าไม่มีความทุกข์ก็จะมีความสุขอันนี้เราไม่ต้องไปหาความสุขเราเพียงแต่ดับความทุกข์ ป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าเป็นความสุขที่ถาวร น, นั่นเองไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเช่นเราไปไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เราก็มีความสุขพอเรากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็สูญหายไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องออกไปหาความสุขใหม่ต้องไปเที่ยวใหม่ร้อยเที่ยวอีกร้อยครั้งพันครั้งความสุขต่างๆที่ได้จากการไปเที่ยมันก็จะหายไปหมดมันไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการ หยุดความทุกข์ดับความทุกข์พอไม่มีความทุกข์แล้วใจของเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาความทุกข์ของเราก็เกิดจากความอยากความอยากก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะเอาไว้กับเราได้ตลอดเวลา ไม่สามารถสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาพอได้มาแล้วก็จะหมดไปพอได้ดื่มเครื่องดื่มที่ชอบพอดื่มเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หมดไปพอได้ดูสิ่งที่เราชอบพอได้ดูเสร็จแล้วสิ่งนั้นก็ความสุขนั้นก็หมดไปพอได้ยินเสียงที่เราชอบพอได้ยินเสร็จแล้วผ่านไปแล้ว ความสุขที่ได้จากเสียงนั้นก็หมดไปเราก็ต้องคอยหาเติมอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราหาไม่ได้เวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจเช่นต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สามารถไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เวลานั้นเราจะทำอย่างไรเวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ แต่ถ้าเรารู้จักวิธีป้องกันหรือดับความทุกข์ใจไม่ให้เกิดขึ้นเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถไปหาสิ่งต่างๆได้เพราะเราไม่ต้องหาอะไรเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ถาวรดังนั้นขอให้เราเพียงแต่มากําจัดความทุกข์แล้วก็ป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้น มาภายในใจของเรานี้เท่านั้นวิธีที่จะป้องกันหรือไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นหรือดับความทุกข์ก็คือต้องหยุดความอยากถ้าเราถ้าเราหยุดความอยากว่าความทุกข์ก็จะไม่เกิดแล้วการที่จะทำไม่ให้เกิดความอยากก็ต้องให้เกิดต้องดับความหลงต้องหยุดความหลง วิธีที่จะแก้ความหลงก็ต้องเอาความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหันตัสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกันก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์นี่เองคําว่าไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรทุกขังก็คือเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข อนัตาก็คือไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยๆด้วยการทำใจให้สงบก่อนการจะทำใจให้สงบก็ต้องหมั่นเบรกใจอยู่เรื่อยๆด้วยการบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆหรือด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจอยู่เรื่อยๆ พยายามทำให้บ่อยพยายามทำให้มากแล้วใจของเราจะสงบใจของเราจะว่างจากความคิดต่างๆพอไม่มีความคิดก็จะไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์พอไม่มีความทุกข์ก็จะมีความสุขแต่การหยุดใจด้วยเบรกนี้จะหยุดได้เช่งระยะ เวลาที่เราไม่เหยียบเบรกใจก็จะกลับมาคิดอีกหรือเวลาเราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องมีความคิดของพระเจ้ามาแทรกกับทุกเรื่องเวลาเราทำงานทาการเราก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งที่เราได้มานี่เป็นของชั่วคราวเงินทองรายได้ที่เราได้มาเป็นของชั่วคราวสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไป หรือไม่ฉะนั้นเขาก็ต้องจากเราไปให้เราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำอะไรให้คิดว่าเป็นการกระทําชั่วคราวชีวิตนี้เป็นชีวิตชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานี้ก็เป็นสิ่งชั่วคราวได้มาหรือไม่ได้มามันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวในที่สุดมันก็ต้องหมดไปหรือในที่สุดเราก็ต้องจากเขาไป นี่แหละเป็นวิธีที่เราจะดับความทุกข์และสร้างความถุกให้แก่จิตใจของเราได้อย่างถาวรเพราะความสุขของเราแบบนี้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพะไม่ต้องมีแม้แต่ร่างกายร่างกายไม่มีใจของเราก็ยังมี ความสุขได้อย่างใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านตอนนี้ก็ยังมีความสุขเหมือนตอนที่มีร่างกายอยู่มีมากกว่าเสียได้ซ้าไปเพราะไม่ต้องมาแบกภาระของร่างกายร่างกายนี้เป็นภาระที่เราแบกกันตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเราก็ต้อง หาอาหารหาอะไรมาให้ร่างกายรับประทานหาเสื้อผ้ามานุ่งมาห่มมปกป้องกันความหนาวเราต้องแบกภาระของร่างกายการมีร่างกายนี้มันเป็นภาระไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีการไม่มีร่างกายนี้ดีกว่าคิดดูสิว่าถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องไปทํางานทาการ ไม่ต้องไปหาอาหารแม่ต้องไปหาที่อยู่อาศัยไม่ต้องไปหายารักษาโรคไม่หาอะไรมาทำให้เราต้องวุ่นวายเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา <c oughs> การไม่มาเกิดนี่แหละ <c oughs> เป็นความสุขมากกว่าเป็นมากกว่าการมาเกิดการมาเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาร่างกาย แล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุก์กับความตายของร่างกายเราได้อะไรไปบ้างจากการมาเกิดนี้ไม่ได้อะไรเลยเวลาตายไปเราก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราอุตส่าหา์มาแทบเป็นแทบตายเหนื่อยยากลาบากแสนลาบากพอถึงเวลาตายไปเอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียว สิ่งที่เราจะเอาไปกับเราก็คือบุญกับบาปที่เราทำไว้นี่เองถ้าเราทำบุญเราก็โชคดีเราก็จะได้ไปรับรางวัลได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์หรือถ้าเราทำบุญถึงข้านสูงสุดเราก็จะไปถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดเลยแต่ถ้าเราไม่ทำบุญเราทาแต่บาปเราก็ต้องไปใช้กรรมในอบาย บายก็มีอยู่สี่ช่องด้วยกันคือเดชะฉานเปรตอสุลกายและนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปสวรรค์ก็คือที่ไปของผู้ทำบุญสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นนิพพานอันนี้เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบุญดังนั้นเราอย่ามาถูกความหลงหลอกให้เรามาทำบา เพื่อหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เลยให้เรามาทำบุญตามที่พู้เจ้าทรงสั่งสอนกันจะดีกว่าทำบุญละบาปด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมะถภาวนาก็คือทำใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาก็สอนใจให้ฉลาด พอเราได้บุญเหล่านี้อยู่ในใจแล้วเราก็จะดับความทุกข์ป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกพอไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะมีแต่ความสุขอยู่ไปภายในใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายนี้ตายไปใจของเราก็ยังมีความสุขอยู่แต่งที่ ใจของพวกเราก็จะเป็นเหมือนใจของพระพทธเจ้าใจของพระอาหลานตสาวกทั้งหลายเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียน่หวตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์มาแบกกับร่างกายมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม ขอให้พวกเราพยายามทำกันไปเรื่อยๆทำกันให้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญคุลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้